สองอย่างกลับเป็นนาำปาัญหาคือไม่ห น, นีไปถ้เด็นใหม่ถ้าเป็ น, นม่คืนพระอาจารย์เทศถึงว่าจิสตสมาธิสอนเนี่ยเป็นอวิชานอันนี้เพราะว่าทำสมาธิจนได้ออความสุขในสมาธิแล้วติกอยู่ช่ไหมครับติเรื่องของสมาธิแน้ปัญญาก็ยังไปติก พราะสอนอันนี้มันเป็นว่าสอนอ่าที่คือพระกอบสอ น, นของประวัตเชื่อแห่งภพแท้ๆคืออันนั้นเป็นประพจนที่เวลาพอตนคิดเดิ ม, มจริงๆเป็นอย่างนั้นนะคิดเดิมเนี่หมายถึงว่าเดิมของวัฏจกักรให้หมายถึงเดิมที่บริสุทธิ์แล้วนะมันเป็นอย่างนั้น จะอาศัยอะไรพิเรศจารเข้ามาอะไรเข้ากับเรื่องความคิความปุงเองตัวเอนี่ยจารเข้ามากับอย่างจารเข้ามาด้วยไปเห็นรูปเป็นอย่างนั้นได้ยินเสียงเป็นอย่างนั้นหรือความชั้มพันของเราเนี่ยเอาเข้ามาเข้ามาเองเน่ะที่ว่าพิเรศการเข้ามาจารเข้ามาด้วยวิธีเราที่เราปคว้าเอาคว้าเอาจากรูปจับเสียงเนี่ยดีอย่งนั้นเข้าใจอย่างนั้นชั้มพันอย่างนั้นชั้มพันเราคุณมาเป็นเรื่องพิเรศที่จะเข้ามาหาเจ้าของเนี่ยอที่ว่าพิเลศจารมากันอย่างนี้แม่ดูดูก็พิเรศจารมาแค่อย่างนั้นน่ะ กิจกรรมจากเราที่ออกไปกล้าอาาอกไปหาลูกโมกหาเสียงเขาออกไปแล้วมันไม่ได้เฉยๆอยู่ออกไปแล้วมันต้องออกไปหาเรื่องว่าง่ายๆนะนั้นแหะมันเอาเรื่องมันาเข้ามาเื่อมันก็เลยม า, เ, าเป็นแตกจริงแตกแันงออกไปมันไม่อยู่จนล้วนเพราะามันเมื่อแตกจริงแตกแขงนงไปเรื่อยยุ่งไปหมดถึงความ กดอวิชาดยะไรก็ตามมันกมันก็ไม่ปรากฏทั้มันอันนี้มันปกคุมหมดแล้วดแล้วเกิดจากนี้เองนะมันก็มัหอไปเข้าใจหรอนีความความผองใจล้วก็ไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเองมันเข้าใจว่าจิตเขนคัดสอนอยู่รู้ไหมแล้วมันไม่เข้าใจอะไรเปัญหามันมันมาคุมก็จบมาคุมก็ยังไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมมันเป็นอย่างนั้นอย่งนั้น่ะ คือพอเราไม่รุ่นเองนืง่องจากมันไอไอไอมันของใหม่เนี่ยมันมาปกคลุมเข้าอีกมากมายผมไม่รู้เวลาเขาเล่าว่าเพรานี้มันจะเข้าไปถึงตรงนั้นไม่ใช่มั น, น, นคือมันเข้าในการชำระของเราเนี่ยชำระเข้าไปชำระเข้าไปชำระเข้าไปเข้าไปมันอไเข้าไปถึงตรงนั้นคือผู้ปฏิบัติก็ทราบเองจริงไม่ต้องให้พระพุทธเจ้า บ, บอกเพรางั้นพูดง่ายนะ มีพระพุทธเจ้าบอกโดยที่พวกเราไม่ไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยหแอกนั้นเลยที่ที่พรงบอกอย่างนั้นน่ะเมื่อพอเราปฏิบัติเข้ า, าไปปฏิบัติเข้าไปแต่ถึงนั้นเราก็รู้เองว่าของไสแต่ส่วนที่เราจะรู้ว่านี้ อ, อวิชาหรือไม่อวิชานั้นเป็นอยีกแน่นึ่งเรารู้ว่า่องใสเ ร, รู้คว้าแล้วนี่ความมักเลยไม่ยอมปล่อย่จะว่าจะว่าออะไรสมาธิอะไรติดหรือหรือว่าปัญญาติดอาันรูนน้เหอวปัญญามันก็ไม่ใช่แต่ถึงนั้นแล้วมันยอมเลย มันมึงเป็นองคลักษอันนี้ยเลยมันรักษาไม้อะไรมาแตะต้องไม่อะไรแตะต้องมึงตัดถึงก่อนเนี่ยมันรักษานี่ยพระพุทสอนอะไรเออพระพุทธสอนเนี่รวปัญญาเปนลายกลายเป็นองพลักษอันรเงี้ยมันรักษามันไม่ได้ข้อทาลายเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยพระพุทธสอนทางภาคปฏิบัติคือคือมันแก้เข้าไปแก้เข้าไปตัดเข้าไปจนมาขั่งถึงตัวพระสอนนี่อันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็ไปติดตรงนั้นใช่ิตรงนั้น นีวิธีที่จะทำลายเอกภพสอนนี้ผมวมันน่าคิดเกี่ยวกังเรียนใหม่ก็เฮ้ยเราใช้เื่องมือไฟลักษณะญาณกับอ่าอ่อ่าอ่าสูทไทยปัจานนี้คื zeker? อการสังเกตรลักษณกับดูว่าให้เห็นว่าเป็นราคาุัาตามมหาหรือเปล่ามันเป็นลงอะเฉลิมเราก็ดูมันก็เหมือนเราเราดูสถาปัายกรรมอื่นเอง ถึงความโกรธเกิดขึ้นเราก็ด no ูเรื่องของความโกรธเวทนาที่เกิดขึ้นจากความโกรธก็คือทุกเวทนาเมันเกิดขึ้นเราก็ดูดูเพ่งเดงนกำหนดดูเราไม่เห็นว่าความโกรธเป็นเราเราเห็นว่าความโกรธที่เป็นธาตุกึ่ต่อเราเมื่อกางถุกเป็นธาตุกันงแล้วเขาไม่ว่าเราเป็นธาตุกึ่ตามแต่เราก็ว่ามันต่างเรื่องธาตุการังนั้นเองนะเราก็ต้องต่อสู่การต่อสู้คือการกาหนด ว่มันจะเคลื่อนไหวไปยังไงต้องไงความโกลนทุกผลของความโกลมันเกิดขึ้นมาความโกลมันวูบเยว่านั้นแะแต่ผลมันแสดงขึ้นอย่างทุกความทุกยอดในตัวเองนี่เป็นผลมองความโกลแล้วความทุกนั้นมันจะปรากฏภายในจิตแล้วกำหนดมืยอ่ะมันเกิดขึ้นมาจากความโกลความโกลเกิดขึ้นแล้วมันดับหรือถ้าความโกลจะไม่ดับมันก็มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถ้าความโกลมันมันง่ายไปอันนี้มันก็ยังต้องมือกําหนด ดูดูอยู่นั่นน่ะเด็ดปัญญาของหลวเนี่ยจะจะจ้องก็เป็นปัญญาเขาจ้าทั้งเศษเนี่ยห้าแต่พยายามเรื่อยๆค่อจางไปจางไปเราก็รู้การากําหนดจังางนั้นอ่ะเราไม่มีโอกาสที่จะไปไปไปโกรธอะไรๆได้ใช่ไหมละ่ะเพราะจิตทัดหน้าที่อันเดียว เ, ยเห็นโทษในระยะมันย่อมไมปกาเริบในการในระยะต่อไปเราจะไม่เห็นโทษแล้วมันก็พุ่งไปเรื่อยคือเราเห็นสมมติว่าเราโกรธแค่นี้นน ที่เราเที่เงกับนั้นมันก็ยิ่งเสมขึ้นเรืเ่อยๆความความโวกกระเสริมความทุกข์กระเสริมนีเพราะว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นปเป็นไทยความปวดต่งหาเป็นไทยมันย้อนกลับมาตรงนเขาย้กัมาคุ้กัผลไทยมันก็พี่นะความปวดัธ ส, สอนที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของหลงหลงม่ใหอที่ว่าหลังจากจริงแล้วไปติดกัฒน์สอนิก ส, สอะอย่างเงีย ถ้าะไรคิดที่ภาควิศนตานี้ก็ต้องต้องใช้เช่นเยอยวกับเรากาหนดกาหนดเรื่องความปกรธนะเคร่งเร่งอยู่นั่นอันนี้เป็นอะไร่างทีว่านะทีนี้เป็นอนิจจังสุปาหนาตาถึงเป็นจังกัดเช่นรูปอนิจจังสุปันาตาเจตนาเปอนิังสุปังนาตาตนสังขารวิญญาณเป็นอนิสุปันาตาทีนี้มันก็รู้เท่ไหมดแล้วข้อการพจาเรื่องอนกังุปังนาตา แล้วอันนี้เป็นอะไรนั like see, ่น like ก็เหมือนกันตำรวจก็แบทีนี้มันก็ไม่นอนใจกับอันนี้เมื่อว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วก็เป็นข้อถูกใจไปมาแล้วก็มีข้อสังเกตตั้งขึ้นข้อสังเกตขึ้นจิตมันก็จ้องนั้นปัญญาสักค่อยสังเกตด้ว่าการสั้งเกตหรือการพิจาราเนเรื่องของปัญญาอปัญญาอย่างนี้อย่างอยากของปัญญาอย่างเดียวก็ปัญญาอย่างนี้ปัญญาในขรั้งนี้มันไม่ถ้าแค่ปัญญาอย่างจะคิดแค่มังเปลี่ยนไปอะไรกันนะ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 มันก็สลายเป็นวลมไปได้ถ้าว่าเป็นความจริงแล้วมันสลายไม่ได้ไอ้คือเป็นตัวจริงที่ผูิดก็สลายกันไปน่ะไอ้คือดูเวลาไอ้ตัวอาพัชสอนเนี่ยที่มันครอบติดอยู่เนี่ยมันสลายไปความรู้มันยังไม่เห็นสลายไอ้ความรู้นี่มันยิงมันยิ่งเด่นกว่านั้นอีกเพราะว่าขี่ร้อยเท่ากับไม่เท่าแล้วค่อนข้างที่เราก็ว่าอันนี้มันพิเศษสุดเลยถึงต้องลักขึ้นข้งวัขนาดถึงปัญญาขั้นนั้นมันหนึงไม่ยอมที่จะลาผมก็แสดงว่ามันขนาดไหนว่ากันจนละ มันยังยอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์ก็ใหญ่ถวายตัวเป็นลูกศิษย์อวิชชาอยู่จนถึงนานอืมอืมให้ดูแล้วทีนี่นี่แหละที่เรามันความต้าคการตัวเองว่าขนาดว่ามันลิสเซ่ขนาดไหนไม่อย่างนั้นมันจะไปสมหวนงไปรักษายอย่างไงมันต้องความคันอย่างมากกว่นั้นถ้าเรื่งทั้งที่เราว่าอันนี้สำคัญห น, นักพอปัญญากำหนดเขาไปที่เท้าไปอันนี้สลาร์ไปอันนั่นขึ้นมาแล้วถึงเห็นท่อแลวโอ้โหเโนี่ ว่าเห็นโทษเหงความหลงอันนี้เหมือนตะความขี้ควายแท้ๆแล้วอันนี้จะเป็นอะไรเมื่อเห็นแต่ก่อนว่าอันนี้เป็นอาจารย์แล้วมันกลายเป็นกองขี้ควายแบบอันนี้จะเป็นอะไรที่น่นหละความสูงกับการนี่คือความทีเกิดจาการมุขเด่นอย่างนั้นพอครั้งๆเราจะไปตั้งความอยากอะไรก็ตามถ้าตั้งความอยากลงไปอยากให้มันดับเนยนั่นแหละมันเกิดขึเลย มันไม่ดับอือไม่ได้ตีกันเลยอ่ามันเอาเงียบเขาไปไปไปฆ่ากิเลสมันจะค่าอะไรเขเงียบเขาไปครับมันก็ช่วยกันละชีกันไหมันต้องมาทำไปฆ่าเนี่ยจะกิเลสไปฆ่าก um eh ิเลสมันไม่ได้ต้องเสริมมันดับแม้แตทุกข์เกิดขึ้นอย่างที่อธิบายแล้วทั้งหมดไม่ว่าทุกข์ทางการทางใจเกิดขึ้นเราจะอยากอยากให้มันดับเฉยๆไม่ได้ทีเดียวต้องเสริมต้องให้ทราบความจริงมันมีความมุ่งที่อยากให้ทราบความจริงของมันเะนั้นเอาฟาดกันลงไปนั่นแหะเป็นทาง ทงเดินนี่เป็นเป็นมักทางแา่ที่เหลือคุยก็นได้ผมแต่จิตก็่าที่สอนนี่อาจจะหลงได้อ๋อไม่สงสัยต้องหลงนั่นเลยเตะตลอดเวลาเลยไม่จะพูดอย่างอื่นแล้วมันไม่ถนัดใจว่าต้องหลงนั่นเลยอืมตั้งหลงนอกจากจะได้รับคำแนะนําจากครูอาจารย์ไปแล้วถึงจะขนาดไหนก็ตามที่เกิดขนไหนก็ตามมันเร่าช่วง คือผู้ว่าการพูดอย่างนั้นเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันเลยมีกําลังมากที่จะต้องพ <Okay, S 1> ิจารณานั้นได้น ะ, <Okay. S 1> ะถึงจะท้าทาขนาดไหนความที่เราเชื่อผู้ว่าการหรือเชื่ออาเชื่อคำที่เราสอนแบบนี้มันมันือก่านที่มันจะต้องยอมพิจารณาเหมือนอม่าง <Okay. S 1> นคนลงทางทางนี้เปลียนรุ่งทางนี้รกๆถามว่าจะไปบ้านกอไปบ้านไหน <Okay. S 1> ทางไปบ้านกอไปทางนี้ นี่ไบ้านไหนไปบ้านขอเราอยากไปบ้านขอแต่ว่าเขาลู้ทางเขาบอกเราเราจะไปบ้านของีมันก็ไม่ถูกบ้านกอที่เพราเราอยากไปบ้านกอทางนี้มันลลกุลงังไม่อยากจะไปแต่ก็เพราะเขารู้ทางนี่ถามเขาเขาบอกไม่ต้องผืนไปตามนั้นมันก็ไปเจอบ้านกอตามควประสงค์แต่ว่าเจ้าตามใจของเราโดนบ้านขอแล้วบ้านไหนบ้านงอไปเรื่อยเรื่อยหายไปเลยเนี่ยหมายถึงว่าอความเทีต์โลงนี่คือความเป็นถึงที่เราชอบใจใช่ไหมล่ะอืแล้วกงลังเราไม่อยากไป อันนี้มันมันกระของไายเนี่ยมันก็เหมือนเตรียมโลงวางเนี่ยมันก็อยากไปตรงนี้คืออยากยึดไม่อยากป่อว่าว่าแล้วจะแค่สมาธิมันติดต้อง <c oughs> มาพี่ละเอียดที่ไหนเรื่องจิดสงบตัวก็ไปมันไม่ถึงขันนนะ้นนั้นนะมันมันติดอันนั้นเป็นสมาธิไมนมเป็นสมาธิก็ตามมันเป็นอย่างนั้น สุิตทำหน้าเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วนันเป็นอย่างนั้นการมันจะเข้าเข้าบ้างเช้าๆบ้า ง, างมันก็เข้าตามความละเอียดของมันท่นไม่เช่าอย่างแบบจิตธรรมดาเรากลองไม่ทําไมลักษณะเช้าๆความเช่ากับเวทนาก็เกิดขึ้นด้วยกันเนี่ยหทุกเวทนาตามขั้นของมันก็มึนคือมันทุกเวทนาละเอียดมันผิดกันไอ่จิตของเราหนีเช้าหนีนนนจะต้องเกิดทุกเวทนาขึ้นแน่ มัละเอียดด้วยกันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกอย่างธรรมดาเรานะเป็นทุกการขั้นของมันการขั้นละเอียดในขณะนี้แยงไม่ออกสามกระย์เนี่ยจเยกไมออกนายเราสามกษัตริย์ผู้โฆาขึ้นมากต่ยองมันเดียวโเทียหมอนั่นมันเดี่ย ว, วอีกอธุกรรมว่าทุกรร เวทนาเวยมานี่ตอนนี้ยิ่งสำคัญทำให้เพิ่มไปเลยมันเกลียดแล้วยิ่งสบายเพิ่มไปเลยแง่อ้าวยิ่งเขาบีแล้วสุขเวทนาเข้มาอีกยิ่งหลับไปสุดอ๋อไปันขั้นนี้นะเข้าใจไหมอืมเป็นขั้นนี้พอสุขเวทนามาันยิ่งหลับไปเลยทีเดียวไม่ยอมสะกดนี่จิตมันต้องมีอยู่สามกายต้มีอยูสามจิตอกกมีอสาม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 เดี๋ยวเราต้อแกงมันได้มีทางแกงมันไปได้มีขนาดอันนี้ม้อเข้าใจได้หรอือเอว็นาน อ, นอกหาือไปเวทนาแก่ในหมา ย, ท, าายที่เปเวทนาอะยรแต่ยังจะที่ละกิเวทนากรรมกันมีลักษณะภายในกายนอกเวทนาในเวทนานอนนกใจพุทธายทีอธิบายเเวทนาน นอกควอรรธิบายเรื่องการบริยัติอริยไวยากรณาก็ดีมันขัดกันดีกับหลักปฏิบัติมีความคู่มือคง น, นะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยในฐานะนอกอหมายเรื่องการเวทนาว้างนั้นนะในเรื่ภาพปฏิบัตินะในฐนาในเรือหมายถึองกิจเวทนาเ น, น่ยนั่นเขาหงี่ฉันไม่ไปที่อื่นแล้วมันก็ถูกการสุบที่จะแะก้ด้วยใช่นานะเขอื่นไมรู้ด้วยว่าเขาอะไรเนี่ย คนะทำลองเดียวกันเราอะเอฮิปาร์โกท่านจงมาดูธรรมของจริงให้เขามาดูอะไรเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันขัดกันอย่างนี้เชื่อที่ตรงไหนขัดเราบอกว่าขัดการภาคปฏิภาคปฏิบัติเพราะเราก็รู้อย่างนั้นนี่อืมเราจะไม่เราพูดได้ยังไงเราต้องพูดว่ามันเนียเอฮิปาร์โกท่านจงมาดูเรียกเขาเขามาดูของจรงเรียกให้มาดูเดี๋ยวเ ข, ขาจะเอาคอนแ่นนาปากไปเลยเขาไมา่รู้เรื่องรู้ร้าเช่นอย่เรียกไอ้สุนทรขนมาดูแล้วท่านจะโยนข่ามันมันดูเรียกมันมาดูธรรมนี่ยวมันกาดหัวเอา คนที่ใจมันอกอย่นั้วมันมีใช่ไหมนี่เอเวอเรส่ B ิโกถ้าไม่ได้หมายงั้นเอเวอเรสโกมันท้าทายท่านอยู่นหนะ้าท่านจงดูนี่นะวาว่างหว่างั้นต่างหางนี่คือผู้ปฏิบัติผู้สนใจอยากจะรู้ความจริงในี่ยน้าความจริงมันท้าทายท่านอย่าท่านดูหน้าดูคงนี่นาว่างั้นต่างหางนี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนูหญิงถ้าถูกรู้ผิดก็แล้วนี่นาะเอเวอเรสติกจะไปหาเราเราอยากรมาเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์ฉิมได้กันเลยสภาหว่าแล้วเพื่อใท่านเล่แล้วยัง นี่เขาลำพานแ็้วเขาทเน็ยบแล้วเขาอยู่ที่ไหนเขาเนียแล้วปลายไม่ได้เทศหรือวันทวันไหนเขาเข้าอะเขาวันยังไม่ทาเน็ยอบเข้าไปแล้วเขาทำข้าวเขาเข้าไปแล้วน่าเทพตอนทั้งน้นทลายบาทนันเนจะเรื่องก็ไม่ได้ฉันังไนี่ไอ้ป็นตัแบบนี้ลำแบบเขาบ้าดีๆหนึ่งจนเขาเห็นนีหมดเขามองเห็นมาแล้วเดี๋ยวเยเข้ามาดนก็ว่านี่คท่านจะปวดที่ทโเรเป็นโรคอะไรอ่ซึ่งพอหายจากปวดหนังแล้วมันก็มาเป็นเรื่องหลัง เลยเป็นแบบนั B ่นแหละให้การคิดเราเนี N ่ยอินสบายไม่ได้กลับบาได้ง่ายแล้วไม่กลับง่ายหรแกปรเทศสอนก็อยู่ตามถนนนู้นทางที่ไหนก็ตานมองเห็นที่ไหนแล้วยังคืออาตมาเราทำเด็นแล้วคุยง่ายลอาตมาที่ทำเด็จแล้วคนนี้ทำเด็จแล้วอย่างกราเร็นแล้วสขาเหลืขั้นบ้าไม่ใครไม่อยากเป็นบ้าแล้วก็เป็นนี้หรือเปล่าเนี่ยทำเด็จแล้วเขาเสียเนี่เอ๊ยจะโกแบบนี้ใครอยากได้เหรอ อาพ่อาการพูดมีหลักความจริงมาเราพิจารณาเองเองเป็นคนี taxes, ่ใครพูดปฏิบัติทำทุกใครอยากรู้ของจริงในธรรมของจริงมันท่าทางนี้สัจะทําอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ท่านรู้ที่นี่นั่นความหมายว่าอย่างนั้นแล้วเราพิจารณานี่มันก็รู้นี่จริงๆเนี่ยคือว่ากายในกายนอกหคือื่ากายในกายนอกเราจะพิจารณาคนอื่นแล้วก็พราะพิจารณาได้เพราะวส่วนเรื่องการในการนอกหมายถึงกายจิต ใจทางเท้าปฏิบัติเอกเป็นอย่างนี้หนึ่งนะอันนี้อาการในกับในนอกอย่างเงี้ยราได้ปลากดแล้วในเราในนอกหมายต้องการอันหยาบนี่ที่นานมีคลอยมันแก้นึ่แล้วมันมีอันนึงเป็นผ้าอันหนึ่งภายในจิตมันจะมันมาที่นานภายในจิตอยู่เป็นผ้านี่อีกสำหรับเราที่นานไปนั่นนะนี่เราไปแน่ของเราอย่างนี้อีกเหมือนกันใครจะค้านกค้านเถอะพอเรารู้อย่างนี้ <c oughs> คือผ้าอันนี้มันมันปล่อยจิตในขั้นขั้นที่ปล่อยก า, ายนี่ปล่อยกายนี่หมดแต่แล้วที่ มันก็เอาภาพของกายนี่เข้าในภารกิจแต่ไม่ยอมพิจารณากายนี้มันมันพอใจที่พิจารณาภาพคือออกจากกายที่เข้าไปอยู่ในจิตแล้วมันกำหนดนี่ภาพนี้หมดไปก็ยังเหลือภาพนี้เขากำหนดภาพนี้ไปหมดแล้วนั่นแหละเป็นอากาศของภาพว่างหมดที่นี่นะที่นั่นนะทีแรกมันยังไม่ว่างเพรภาพนี้หายไปภาพอยากภาพไปภาพเดียรเข้าอยู่ในภารกิจมันก็หมดปั๊บมันเข้าอยู่ในจิตแต่ใช้พิจารณานี้มันไม่ยอมเข้าอยู่ในจิตนี้ก็ไม่นานมันก็มันก็จลายเดตั้งเป็นภาพหมดสลายตั้งภา พอนานพอนาเขามันสลาดหลายสลาดหมดเลยถ้าออกงั้นมันว่างมีพระข้าวปฏิบัติฝ่ายในกับนอกก็เป็นอย่างนี้ของเราออกจากการปฏิบัติรู้จากการปฏิบติจริงเป็นอย่างนี้แค่นี้พอพอพระภายในจิตนี่มันหมดไปจิตมันว่างเลยหลักธรรมชาติขงมันแ้วอกคือว่างตามธรรมชาติมันหล่ะว่างตามขั้นของตัวเองทั้งหมดเลยมันก็ว่างด้วยกันหมดทีแม้แต่ชลาอย่างนี้เมองวยตานีมอง พอเป็นนางลางเป็นเฮาๆนั่นแหละไอ้จิตมันทะลุไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นก็เหมือนกันดินบุกแผ่นดินนี่ก็หมดนี่มันทะลกไปหมดด้วยความว่างของจิตมันไม่มีอะไรเหลือเลยว่างหมดทุกเขาเหมือนมันหมดเึ็นชัวลูกสุรามั่งข่องมีจิ่แค่หนึ่งว่างไปหมดคือจิตนี่เองเป็นผู้ว่างอันนั้นก็มีอันนั้นแหละจะว่างว่างเขาว่างก็ได้ว่างไม่มีปัญหาอะไรไอ้ตัวเองนี่แหละปหาเรื่องของเขาเขาเป็น้งเขาเบี้นี่ ว่าง น, นี่นี่่างที่นี้เอาอีกนักจึ้น น, นนี่ตอนเนี้ยตอนที่เราไมางหมดไรก็ว่างหมดอืมเขมืนกับคนที่ขึ้นไปอยู่บนหัวตอนเหยียดวนหอวตอนมองที่แหนก็ว่างหมดว่างหมดไอ้ตรงนี้ไม่ว่างไงงขึ้นมันไม่ว่าง น, นี่นี่จะงหอะไรเราอยูก่กับหัวตอ น, นเเยียดบนหอวตอนนี่ มองไงอะไรก็เลยมีไงไม่มีนี่หัวตอนนี้ทําไมไม่มีแต่ตาเราไม่ได้เข้ามานี่แกไหมหล่ะมันไปนู่นนี่คิดน้งก็รู้ออกนอกมันเลยรู้ตัวเองภายในนอกมันว่างจริงแต่ตัวเองยังไม่ว่างเลยตัวเองนี่แหละที่จุดอุจจาระเลยชั้นว่างเลยพอมันย้อนเขมาตรงนี้พามันเปิดหมดเลยง่ายหมดปัญหาเลยว่าอะไรว่างอะไรไม่ว่างเลยหมดปัญหาตัวก็ว่างกันหมดภายในก็หมดภายนอกก็หมด ง น, นบบเคยยกข้อติดเชื้อไปังนั้นเลยหรือเ่าห้องเนี้ยขนของให้หมดในห้องนี้ขงน้องของให้หม ด, ห อ, อ, อ, อ, หหมดอ่ะมาไปดูห้อ ง, องหมดแล้วเอาไปดูนี่ห้องนี้วายย่างหรือยังห้องนี้ว่า ง, า ง, งไหมปุบกเข้าไปยืนอยู่กลางห้องมองเลยว่า ห, หมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งทีสองห้องอยว่นั้นอ่ะ มันว่างอะไรเ่ยท่านยึดของห้องนั้นท่านจะให้บ้างห้องว่างท่านออกมาพี่กอออกมาปุ๊บห้องว่างนะก็คือหมายถึงว่าพิจนรอะไรอะไรมันว่างหมดไอตัวจิดไม่ว่างตัวเองนั่นคุณง่ายๆกำหนดเข้ามาที่นี่พี่ถอนตัวนี้ออกอนุสติความถือจิกไมเป็นตนอย่างีอันนั้นไม่ถือว่าเป็นตนเป็นตนกระัำแต่นี้มันถือเป็นตนมัถอนไปให้เอมันงดอยู่ไมันก็ว่างไอีอยู่ไหนมันก็ว่างจะจะของว่างแลนะถ้าจะของว่างอยู่ไหนไม่ไม่ว่าง มันย่่งงั้นแหละอยู่แบนี้ไม่มากคนน้อยดำสิ่งเจ็บใจยุ่มี